ในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์หรือการพิจารณาแล้วก็ข้อปฏิบัติในบา ร, รมีทั้งหลายเป็นต้นด้วยวันก่อนพูดถึงในเรื่องของการพิจารณาในขันติบา ร, รมีก่อนจะเข้าไปดูในรายละเอียดคําว่าขันติเนี่ยขันติในที่นี้ มันแปลได้หลายความหมายส้แปลกันนั่นๆก็หมายความว่ามันมี3ประเภทความอดทนต่อเหตุที่ทำให้เจ็บใจเออคนที่มีขันติก็จะไม่ก็จะมีความอดทนอดกลั้นค่อนข้างสูงขันติมี3ระดับ 1... นะตีติดขาขันติก็คือความอดทนด้วยอำนาจเป็นความอดกลั้น เช่นถูกดา่าถูกว่าก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบมีความอดทนอดกลั้นไว้ดามีไหมคนนี้เรามีไหมถูกดา่าถูกว่าถูกตําหนิถูกตีติง้งปุ๊บจิตก็ไม่พลุกพล่านขึ้นมาไม่ด่าตอบบางคนนี้ไม่ได้เลยใครกระทบนิดเดียวไม่ได้เลยนี่เป็นคนมีแผลที่จะรเราดลแลนี่คนนี้แผลนี่ไม่ได้เลยลมขนาดลมพัดถูกเจ็บไหมเจ็บ เอาไปจุ่มน้ําเจ็บไหมเจ็บอีกถูกแสงแดดเจ็บไหมเจ็บอีกฝนมาถูกนิดหน่อยก็เจ็บคนบางคนที่ไม่มีขันติเนี่ยเป็นคนมีแผลตลอดเวลาใจมีแผลตลอดคอยมองซ้ายมองขวาใครกระทบ ป, ปุ๊บไม่ได้กระทบ ป, ปุ๊บไม่ได้เขาเรียกมีแผลอยู่เฉยๆยังปวดเลยอยู่เฉยๆก็ดอดดิบประการที่สองตปะปาคันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสให้รล่าร้อนให้เหือดแห้งไปนี่เรียกว่าตะปา ตาะนี่ไปทำเครื่องเผากิเลส โ, โหใครมีตาปะคันติได้นี่สุดยอดเลยอันแรกเขาเรียกว่าตีติดขาคันติอันที่สอง เ, เรียกตาปะคันติอันที่สามก็เรียกว่าอธิวาสนะคันติเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยยช่ไมก็คือความอดทนอย่างหนักแน่นจนสามารถยั่งกิเลส ท, ทั้งหลายให้สงบระงับลงได้ เนี่ยประการที่สามนี่เป็นเรื่องที่ทำยังไงที่ทำให้เราเป็นเพื่ อ, อมอีอธิวาสนาคันติความอดทนอย่างหนักแน่นจนสามารถระงับกิเลสพอเกิดความโลภปุ๊บก็ทนไว้ไม่ให้ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมันพลุกพล่านขึ้นในใจอดทน ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในส่วนจริงสามารถกําจัดความโลภออกจากความความโลภความยินกำหนัดยินดีออกจากความรู้สึกได้เกิดความโกรธเกิดความเครียดขึ้นมาปุ๊บอธิวาสนาคติขึ้นมาปุ๊บํากับไว้ไม่ให้ความโกรธความเครียดความหงุดหงิดทั้งหลายมันพุ่งผ่านได้สามารถกำจัดจนหายไปได้เกิดความลังเรศสงสัยเกิดความพุ่งซ้านลาคาญใจขึ้นมาปุ๊บละได้ เอออย่างนี้ก็ อ, อธิวาสนาขันติสามารถกาจัดกิเลสได้เลยเกิดทิฏฐิมาหน้าเกิดตัณหาเกิดความอยากความต้องการอะไรชนะมันได้เออตรงนี้ก็ต้องฝึกให้ขันติประเภทนี้เกิดขึ้นให้ได้ใช่นหมดีไม่ดี <c oughs> เกิดความง่วงปุบเไม่ <c oughs> เอาแล้วาละเราจะได้อดทนหนึ่งเนี่ยเกิดความปวดเมื่อยเอาละเราจะจัดการเหมือนโดยขันตินี่ อาทินี้ขันทีสามประการนี่เลยนะทนต่อความลําบากตรากตรำก็หมายถึงอดทนต่อกิจาการงานอันเหนื่อยยากเพื่อความเป็นอยู่ของตนเองก็ดีอดทนต่อครอบครัวอดทนต่อสภาพสังคมประเทศชาติต่อพระศาสนาโดยมันทําธุระหน้าที่ของตนไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ความยากลําบาก ไม่ทํำด้วยความมักง่ายไม่เกียจค้านทนเพื่อสร้างสรรค์คุณความดีให้ปรากฏเพื่อเป็นประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานโอ้นี่ก็เรียกว่าทนลําบากตรากตรําตอนนี้เรามีคันติข้อมีีกันไหมะีไหมลำบากตรากตรํานีบ้างบอบอมมีไหมไม่ม ข้อที่สองนี่จะออกข้อสองทนต่อความเจ็บไข้ก็คือหมายถึงคราบเจ็บป่วยก็อดทนไว้ได้ไม่แสดงอาการทุรนทุรายนีจนเกินเหตุบางคนจะชอบแสดงทุรนทุรายจนเกินเหตุป่วยนิดนึงกว่ป่วยมากเจ็บค อ, อนิดนึงเจ็บมากเป็นหวัดอยู่นิดนึงเป็นมากเนะี่ยหรือ ไม่บน่นไม่ร้องไห้ไม่น้อยใจคิดยังไงเวลาเกิดการเจ็บป่วยเป็นทุกวันไหมร่างกายป่วยทุกวันไหมบ่ออบนไหมบน่นเอออันนี้ไม่มีอะไรไม่มีคันตีประเภทที่สองไม่ทนต่อความเจ็บป่วยเนาะ น้อยใจไหมสั้นน้อยใจบนแล้วมีน้อยใจเข้าใจคำว่าน้อยใจไหมมีอเอออย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีคันติประเภทที่ทนต่อความเจ็บกันวิธีการทํำยังไงวิธีคิดให้คิดว่ารูปน้ําเนี่ยมันมีทุกเป็นประจำมันอยู่แล้วไอคันห้ามันก็มีทุกมันอยู่อย่างนี้แหละ มันไม่มีใครสักคนเลยที่มันจะไม่ปวดไม่เมื่อยจะไม่เจ็บไม่ป่วยมันป่วยมันกระเขาเรียกว่ามันกระสับกระสายอยู่เป็นนิดเห็นไหมล่ะรูปเนี่ยมันกระสับกระสายตลอดเวลาดูมันอยู่สุขได้ที่ไหนล่ะขยับขยี้นขยับขยี้นมันตลอดเวลานี่แปลว่ามันแสดงอาการของความป่วยคนบางคนเน่ยนิ่งอยู่สักพักไม่ได้เลยนี่แปลว่ามันป่วยมันมันกระเสือกกระสับกระสายตลอดเวลา รูปนี้กระสับกรสายเปนิดเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้นี่แปลว่ามันมันเป็นอะไรมันแสดงอาการอาภาษก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเจ็บป่วยแล้วจะไปบอกว่าเราไม่ป่วยนะเนี่ยอาการนี้มันอยู่เฉยได้ไหมเนี่ยขยับขยื่นขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลานี่ยเคือมันมันแสดงอาการว่ามันมันทุกข์มันแสดงอาการเห็นว่ามันอาภาษทมันบีบคั้นมันกดทับมันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา นี่กลายเป็นเป็นแบบนี้เขายายมาบอกเข้าใจคํานี้ไหมเข้าใจเออถ้าเข้าใจตรงนี้เบสเซ็จจะได้ไม่ไม่บ่นจะได้ไม่น้อยใจเมื่อไม่บ่นไม่น้อยใจก็เข้าใจธรรมชาติของรูปน้ํากันห้ามันไม่มีใครไปต้านทานและป้องกันมันได้มันแสดงอาการกระสับกระส่ายตลอดเวลาเขาเรียกว่านี่คือป่วยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูกรคือราบดี ถ้ามีสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นให้มนักสิการในใจว่ากายกระสับกระสายแต่ใจเราจะไม่กระสับกระสายทนลำบากปรากต <S S S> ือก็ทนต่อการทำงานเนยเราจะทำกิจการงานที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพบนี้ประโยชน์ในพบหน้าตลอดถึงทนต่อการที่เราจะฝึกในศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ไม่ยอมไม่ลกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทอ้อเช่นทำงานบ้านกวาดบ้านถู บ, บ้านล้างบาซักจีวอนทำกิจกรรมต่างๆก็ไม่ทอ้อไม่ทอ้อในขณะที่ทำก็ทำ ด, ด้วยจิตที่จุกด้วยจิตที่เป็นเวกากุศลด้วยโ อ, อย่างงี้ก็แล้ทนต่อความตรากตามเนี่ยนะนั้นเราจะ ไม่ว่ากิจาการทั้งหลายเนี่ยความเป็นอยู่ของตอนเองก็ดีครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีประเทศชาติพระศาสนาเนี่ยมุ่งทําธุระนั้นอย่างไม่เห็นแก่เด็กแก่เหนื่นอยเต็มที่เต็มความสามารถเลยมีความอดทนสูงในการที่ทําไม่บน่นไม่เบื่อไม่นายไม่ท้อถอยสร้างคุณความดีปรากฏไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในพบนี้ค้นขว้าทาเต็มที่ประโยชน์ในพบต่อไปเนี่ยเราต้องอดทนที่จะทําสุดท้ายเกิดขึ้น ค, ความเพียรให้เกิดขึ้นฝึกสติ สมาธิปัญญาเกิดขึ้นและในส่วนจริงก็คือเพื่อเป็นปัจจัยต่อการสิ้นทุกข์หมดกิเลสและสิ้นทุกข์ไม่เห็นแกลื่อนเกลือนอย่างนี้เขาเราียกทนต่อความตรากตรำประการที่สองก็ทนต่อความเจ็บไข้ใช่ไหมจริงๆต้องต้อ ง, องมาน้สิการต้องทําความเข้าใจใถูกว่าเราป่วยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมใช่เราคึกว่าตอนนี้ป่วยตอนนี้ไม่ป่วยใช่ไหมใครเข้าใจอย่างนี้ว่า ตอนที่ป่วยไหมเนี่ยอนนี้เขาใจ ผ, ผิด้วยถูกเขาใจผิดจริงๆป่วยตลอดไม่มีใครเลยที่จะไม่ป่วยอะไรคือป่วยมันกระสับกระส่ายกายกระสับกระส่ายตลอดไหมเนี่ยที่กระยุก ป, ปีกเนี่ยแปลว่า ม, มันทุกข์มั น, นทั้งเหยีดดูนะเราอยู่เฉยๆนี้ได้ไม้ไไมได้ไม่ได้มันไม่ได้ได้ที่ไหนแล้วเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อย่างเงี้ ย, น, น, ยนี่แปลว่าอะไรมันป่วยไงอาการมันกระสับกระส่ายมันขัดแย้มันบีบคั้นตลอดเวลาอุ้ยเด้เนี่ยนี่ป่วยเนี่ยอาการป่วยปเป็นแบบนี้เลยลองคิดดูเดี๋ยวเราก็ไปเอาน้ําใส่กับาันมันป่วยวนะมันหายแลเขาก็ไปกิน เด็กก็ต้องไปอาออกเด็กก็เขต้องยืนต้องเดินเด็วก็เย็นบ้างเด็กก็ร้อนบ้างโอ้โหสับกระสายตลอดเลยนี่คือป่วยแต่ถ้ากําเริบ ม, มากกว่านั้นมันก็เอาออกมาการหนักกว่านั้นหน่อยแต่จริงๆป่วยตลอดเลยอยู่ได้ที่ไหนแล้วแต่ไม่รู้โมหะมันกินก็นไม่รู้ว่านี่คือป่วยคนทั่วไปก็บอกไม่ป่วยอย่างนี้คือป่วยพระเจ้ามองเห็นด้วยยานปัญญาตามความเป็นจริงว่าเนี่ยต้องอดทนนี ไม่บน่นบางคนบ่นแล้วอย่างเมื่อกี้ถามแต่ไม่เน้นบอมบ่นไหมบน่นป่วยมากมากแอบร้องไห้ไหมมีไม่ได้ถามแล้วก็น้อยใจไหมบอกใช่น้อยใจทําทไมเราถึงเป็นอย่างนี้เพราะความไม่เข้าใจความจริ ง, รงของรู ป, ปรขันถ้าเข้าใจความจริงไปเรียนทุกวันทำไมไม่เข้าใจไปเรียนเอาเลยเรียนเพื่อเกิดปัญญา ต, ตัวนี้แหละเพื่อ ไ, ได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เอง รูปธรรมดารูปนามขนาันห้ามันเป็นแบบนี้แหละเป็นธรรมชาติของเขาไม่มีใครต้านทานได้จริงไม่จริงเอาไม่อยู่หรอกที่สุดจริงๆวิบัติหมดเนี่ยนี่เข้าใจยังข้อที่สามข้อที่สามนะทนต่อความเจ็บใจไอ้คำว่าทนต่อความเจ็บใจก็แปลว่าเวลาถูกด่าเสียถูกเสียสีเนี่ยทนต่อการได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจ อันไหนทนยากกว่ากันหนึ่งทนต่อความตราดตรำสอง ท, ทนต่อความเจ็บไข้สามทนต่อความเจ็บใจอันไหนอันไหนยากเลยข้อไหนทนยากที่สุดยากข้อไหนทนยากท่านนายบอกว่าข้อที่สามเจ็บใจที่ทนยากบอมข้อไหนทนยากทนทนลําบากตราดตรำทนต่อความเจ็บไข้ แล้วก็ทนต่อความเจ็บใจข้อไหนยากวามข้อไหนธรรมเนจพรนันตภูข้อไหนขอไหนสามข้อนี้ที่ว่าทนยากมีความเข้าใจของเราข้อไหนทนยากาป่วยไข้ต่อความป่วยไข้ อ๋อข้อที่สองความเก็บไข้อสามเณรแชรมป์สองครับทนต่อความเจ็บใข้ใช่ไหมเออนั่นคือความเข้าใจเนะี่ยคือความเข้าใจเออลวลาถูกด่าถูกว่าทนไม่ไหวใช่ไหมเก็บใจทนายบอกว่าข้อที่สามนินแชมป์กันบนินบอมบอกป่วยไขย่ทนยากคืเ อ, อเวลา เราต้องตรากตากับความเย็ยนความร้อนเนี่ยทนยากนะตากตากับความเย็ยนความร้อนหิวกระหายทนยากมั้ยยากไหมมนได้ <c oughs> มนไดเลยต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทนไหวเลยต้องตรากตามเนี่ยตอกิจการงานทั้งหลายเราเนี่ยหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเออ เรื่องนี้เราไม่ไม่ทอ้อเลยใช่ไมจริงจริงจริงจเงินถ้ามองกันลึกๆเข้าจริงๆเนี่ยสามอย่างเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกวเวลาไปทํางานทําธุระทั้งหลายเนี่ยเราก็ถ้ามีอดทนตรงนี้แล้วมันก็อดทนตอ่อความเจ็บไข้ที่จริงเจ็บไข้เนี่ย เก็บไข้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันดังที่ได้บอกไปแล้วมันตลอดเวลาใช่ไมคือถ้าเรารู้พื้นฐานของการป่วยแล้วก็คือหิวกระหายก็ป่วยเพื่อการป่วยอราจะทนยังไงทนไหไหมเอาล่ะสิหิวกระหายหิวเนี่ยก็หิวข้าวเป็นต้นกระหายก็คือน้ำทนไหวไห้ยไม่ไหว ใช่หิวก็หายเย็นร้อนเย็นเกินไปทนไม่ไหวร้อนเกินไป่ไไอันนี้ก็ป่วยทายุจรปัสวะทนไหวไหมไม่มีทางนเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเอาลสรุปก็คือขันตีสามประการ น, นี้แหละในความอดทน เ, เดี๋ยวพูดถึงความอดทนของบุคคลสามจพวกก่อน ทนเพราะความกลัวคือบุคคลบางคนเนี่ยนะอดทนต่อคําของผู้ที่สูงกว่าตนทนต่อการถูกข่มเหงรังแกของบุคคลที่เขามีกําลังเหนือกว่ามีอานาจเหนือกว่าเนี่ยอันนี้เพราะความกลัวอันนี้มันจําใจทนเลยใช่ไหมเป็นไหมแบบเนี้ถ้ามีคนที่เขามีอานาจมากกว่ามีกําลังมากกว่ามีศักยาภาพเหนือกว่าทั้งหลายเหล่านี้ยต้องทนไหมทนเพราะกลัว2ทนเพราะความรําคาญบุคคลทีคคล่ทนต่อถ้อยคำของคนที่เสมอกันได้ เพราะรำคาญไม่อยากตอบโต้เพราะคิดว่ากําลังเท่ากันถ้าใช้กําลังโต้ต่อกันอาจจะมีแพ้มีชนะหรือเก็บตัวทั้งสองฝ่าย <c oughs> ก็เลยทนประการที่3ทนเพราะขันติ <c oughs> สองอย่างมันไม่ใช่นะทนเพราะขันติแต่แก่บุคคลที่ทนต่อถ้อยคําของบุคคลที่ต่ำกว่าด้วยเรี่ยวแรง <c oughs> ด้วยอานาจได้ได้วยอํำนาจของขันติทำ ศาสบุรุษทั้งหลายก็ยกย่องคําสารเสริญว่าเป็นผู้ประเสริฐว่าความอดทนของบุคคลเนี่ยนะบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าบุคคลสองจำพวกข้างต้นนะสรุปแล้วที่จะเป็นบารมีจริงๆมันเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยเช่นเราทนอดทนเพราะเรากลัวเขาเช่นกลัวพ่อแม่กลัวครูบาอาจารย์กลัวเนี่ยเราก็เลยทนเงี้ยหรือกลัวคนมีกําลังมากกว่านี่กลัวโจนกลัวคนมีปืนอะไรเงี้ยกลัวคนที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากกว่าเนี่ย ไอ้ทนแบบนั้นไม่เรียกว่าขันติทนเพราะจําใจจํายอมหรือทนเพราะว่าลาคาญเนี่ยเช่นนั้นชมป์ไปศึกออกไปแล้วไปอยู่โรงเรียนกําลังเท่ากันแต่จะสู้กันมันเจ็บตัวอ่ะเขาแพ้ด้วยเราแพ้อย่างนั้นเลยอย่าไป ม, มีเรื่องกับใครเลยเนี่ยนิ่งทนเคยเป็นไหมความรู้สึกแบบนี้เออนี่ก็อดทนเพราะอะไรเพราะําคาญเพราะลาคาญสองอย่างเนี่ยไม่เรียกบรารมี แต่ข้อที่สามอดทนเพราะขันติดีขันตินี่เรามีศักยภาพเหนือเขาปัญญาเหนือเขาความรู้เหนือเขาความสามารถพละงกาลังทั้งหลายเหมือนเหนือเขาหมดเลยแต่เรารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็ยอมก็ อ, อดทนเพื่อไม่อยากไปเบียดเบียนเขาไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไม่ไปรุสลายเขาลักษณะอย่างเนี้ยคนที่น่าสรรเสริญคือตรงนี้แหละย่า อ่ะแต่นี้เข้าใจขันติพอสมควรแตนนี้ก็ไปดูล่ากหลายวานพิจารณาขันติเนี่ยเป็นอาวุธไม่เบียดเบียนคนดีนีในพากการให้ความสมบูรณ์ในคุณสมบัติขันตินี่ก็สามารถกำจัดความโกรธความโกรธนี้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมไม่มีส่วนเหลือ นันขันติจึงเป็นเครื่องประดับของผู้มีผู้สามารถครอบงำคนอื่นได้สมมุติเราครอบงำคนอื่นได้หลายๆอย่างเนี่ยนะเราเป็นคนที่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เราไม่เบียดเบียนกับขันติเลยมาเป็นเครื่องประดับของคนคนนั้นพมองออเป็นพระสัมปทาของสมณะรามทั้งหลายขันติเนี่ยแล้วก็เป็นสายทานเป็นสายน้ําดับไฟคือความโกรธ ใช่ไหเวลาเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความมาคาดพยาบาทขึ้นมาก็ใส่นี่แหละขันตินี่แหละดับเลยแทนที่จะดับไฟในคนอื่นกับดับไฟที่ไหนเออที่ใจขอ ง, ของเราเนะีเป็นเครื่องชี้ถึงความเกิดแห่งกิตติคุณหรือกิตติศัพท์อันงามด้วยฉะนั้นถ้าใครมีขันติเกียรติคุณในงดงามจะเกิดขึ้นเ น, นีเป็นมนและเป็นยาวิเศษแล้วครับพิษคําพูดของคนชั่วได้ เวลาคนชั่วเขาพูดปุ๊บเราไม่โกรธอันนี้ถือว่าพิเศษไหมอันนี้ตรงนี้ต้องต้องฝึกแล้วเป็นปกติของผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมในบรรดาผู้ตั้งอยู่ในสังวรทั้งหลายฉะนั้นคนที่จะตั้งอยู่ในศีลสังวรนะวิริยะสัง ว, นะวรยานาสังวรขันติสังวรทั้งหลายอะไรเนี้ยขันตินี่สุดยอดขันติอี่เป็นห้องประชุมคุณธรรมทั้งหมดเลยใครมีขันติเขาแหละคนชนะคนโกรธกอดคนโกรธเนี่ยคือคนแพ้ ถ้าไม่โกรธแปลว่าชนะอาทีวทย์ที่ผ่านมาทํำยังไงเวลาโกรธนะทำไรโกรธได้ทําไงหลบที่แก้ไขปัญหาชีวิตที่ผ่านมาทำงั้นอาเวลาโกรธทาไงธรรมะเดนเกิดความโกรธทําไงที่ผ่านมาในชีวิตที่แก้ปัญหาตัวเอง เกิดไม่พอใจแล้วโกรธแล้วน้อยใจทั้งหลายทรื่องคำคำจะดีดดีดหายโกรธวิธีแก้ทำไงที่คิดทำไงท่านไหนท่านใช้หลบปล่อยปล่อยให้ปล่อยให้หายเอ้ขั้นนั้นเล แค่งเวลาโกรดนูทำงานเวลก็ลังจะโกรธหรือว่เกิดแล้วโกรธแล้วครับโกรธแล้วก็หลบหล บ, ลบพ<า>่อจะมาพูดให้ฉันโกรธฉันก็ยอมไป ล, ล้เราใช้วิธีหลบกันหลบแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ทำให้หายโกรธทำให้มันทำอนี้ที่ทำให้หายโกรธแล้วต่อไปจะใช้วิธีนี้อีก่ไหมห ยังไม่รู้วิธีการแก้แอ้าเกิโกรธแล้วก็ต้องใช้วินี้ถเกิดยังไม่ไ ด, กดก็ใช้วิธีนึงอือเอ า, อางี้นะวิธีแก่อันนี้เขาจะแก้ตามสัญชาตญาณที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยแก้ตามสัญชาตญาณแก้ทําความเห็นตนเองคิดฟังกันเดี๋ยหลบบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่จริงๆความโกรธเนี่ยเขาต้องพิจารณาเหตุพิจารณาผลก่อนนะเ<ๆ>ขาบอกถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ คนที่มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยความไม่โกรธเนี่ยเป็นดุษสาครเพราะอาศัยความสุ ข, ขมุมเปรียบเสมือนมหาสมุทรเนี่ยขอบมหาสมุทรสาครเนะี่ยเป็นบานเป็นบานประตูปิดอบัยภูมิด้วยถ้าใครไม่โกรธได้เนี่ยเป็นประดุษบานประตูเขาจะไม่ละบานประตูคือประตูที่จะลงไปสู่อบัยภูมิมีอยู่สประตูประตูหนึ่งคือสัตว์นรกประตูหนึ่งคือสัตว์เดรัจฉานประตูหนึ่งคือ ประตูหนึ่งคือสุรกายใช่ไหมคนที่ไม่มีขันติทั้งหลายก็เป็นคนเปิดประตูทั้งสาบานไว้เพื่อจะทําให้ตัวเองลงไปสู่อบายทุกติวิบัติในรกแต่ถ้าใครมีขันติปุ๊บเป็นบานประตูปิดปึ๊กปึงปึ๊งปึงก็ทำให้เรานั้นไม่ไปลงสู่อบายภูมิขยะอย่างถ้ามองอย่างนี้เริ่มจะเห็นคนของความโกรธไหมเห็นไม่เห็นเป็นบันไดไต่ไปสู่เทวโลกและพรหมโลก เป็นภูม kind of <t> ิรองรับค <t> ุณธรรมทั้งปวงคําว่าเป็นภูมิก็หมายความมันเป็นห้องประชุมเลยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสมาธิถี่สมาธสังฆาฏิสมาวาจาสมาธิกรรมตะสมาอาชีวะสมาวยวัตสมาสติสมาสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องอาศัยอะไรเป็นที่ประชุมต้องอาศัยห้องประชุมคือคันติเป็นภูมิงั้นคันติจึงเป็นภูมิไปที่รองรับคุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีคันติเสร็แล้วเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายจะเกิดยังไง สำคัญไมเนี่ยขันติเนี่ยสำคัญและสำคัญมากด้วยนี่นะเป็นความบริสุทธิ์ของกายวาจาและใจอย่างสูงสุดฉะนั้นคนจะทำกายให้สะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแบบสูงสุดได้ต้องอาศัยขันติคือความอดทนนี่แหละทีนี้วิธีการพิจารณานะว่า พึงยังคันติสัมปทานเนี่ยความถึงพวมไม่คันติให้เจริญด้วยการพิจารณาหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีคันติสมบัติและเพราะตามประกอบทำมันทำให้เดือดร้อนในโลกนะเอาที่เราเห็นสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนกระเสือกกระสนกันอยู่ทุกวันนี้ันได้รับโทษได้รับภัยทั้งหลายเหล่านี้เช่นสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกสัตว์ที่พิกลพิการ เก็บป่วยประสบปัญหาชีวิตใช่คนขาดคันตีทั้งนั้นไหมเพราะผลจากการขาดคันติใช่ไหมเขาต้องต้องมาวิบัติเกิดเขาทุกวันเนี้ยีให้เราเองก็เหมือนกันที่ต้องมาสบทุกหรือความเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยเพราะ ก, การขาดคันติอา้าวถ้าพูดกันตรงๆเลยนะทําไมเราป่วยเออทําทไมเราต้องป่วยเพราะเราเคยฆ่าเข้ามาใช่ไหมเราระงับโท่สาไม่ได้ใช่ไหมไม่มีขันตีใช่ไหม เราจึงอายุสั้นใช่ไหมเราจึงมีโครคภัยแค่เจ็บมากทิ้งว่าใช่โทษตัวนี้ไหมเอาทาไมเรามึนหมึนงงงงทาไมเรามีกิเกลสกุ้มลมอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอา้าก็ผลของการที่เราไม่สามารถกระจัดกิเลสได้เราไม่มีคันติไงแล้วปล่อยให้กิเกลสกุ้มล้มเราเราก็กลายเป็นคนแบบนี้มาจนทุกวันเนี้ยเป็นคนไม่ฉลาดเนี้ยเป็นคนร่างกายพิกลพิการเนี้ย เป็นคนเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเป็นคนเลยซั์ก็ไม่มีสภาพร่างกายก็แย่ครอบครัวก็แตกแยกสติปัญญาก็ไม่มีทั้งหลายอะไรนี้เพราะขาดขันติมาไหมในอดีตเพราะเราไปล่วงละเมิดบาปประกรรมอภิสวรรกรรมมันชั่วร้ายใช่ไหมนี่มันเดือดร้อนกันทุกวันเนี้ต่อใดิน้นรนกนหนาไหนดิ้นจนตายก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้สาภาพตัวเองได้ที่มันเดือดร้อนกันเพราะขาดขันติด้วย และความประกอบทําทําให้เดือดร้อนในโลกหน้าด้วยเอ้าเนี่ยทุกวันนี้ที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยที่เขาฆ่ากันเขาต่อสู้กันประทุษร้ายกันเบียดเบียนกันขาดขั้นตีหรือไม่ค่ะขาดแล้วต่อไปเขาจะเดือดร้อนไหมในภายหน้าเขาจะเดือดร้อนเขาจะโง่เขาจะลำบากอย่างเี่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มาฝึกฝนพัฒนาตนเองเลยเขาขาดขั้นตีนะจะจะอ่านหนังสือเขาไม่อ่านทําไมไม่อ่านเขาทนความอยากอย่างอื่นไม่ได้ จะเรียนรู้ก็ไม่อยากเรียนใช่ไหมไออย่างกรณีมานั่งฟังธรรมะก็ไม่อยากฟังแล้วไปขาดอะไรขาดอะไรเอาขาดอะไรความเพียรไม่ใช่ขาดขันติเพราะเราไม่สามารถเอ่ข่มกิเลสได้ปล่อยให้กิเลสคือทีนั้นมีทักกุ้มลุมอ ย, อย่างนี้อาการที่กำลังเป็นเนี่ยก็ทีนะมีทักุ้มลุมนี่อาการลักษณะเนี้ น, นี่ขาดอะไร ถ้ามีขันติเขาจะข่มกิเลสแล้วก็ขจัดกิเลสออกได้ใช่ไหมนี่พอไม่มีขันติแล้วก็จัดการมันไม่ได้แล้วก็ให้กิเลสกุ้งลุ่มต่อไปไอ้กรณีแบบนี้ยจิตมันก็เล่าร้อนจิตก็มีทีนนะมีท่าบ้างฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างศรัทธาก็ไม่เกิดความเพียรก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่มีห้องรองรับคุณธรรมเหล่านี้คําว่าไม่มีห้องรองรับคุณธรรมนี้ก็คือไม่มีขันติ ถ้าขันติ ข, ขจัดกิเลสได้แล้วคุณธรรมเหล่านี้จะมาไหมมาสิเขาจะมาเป็นห้องประชุมนั้นคนที่คนที่ทนต่อกิเลสตัวเองไม่ได้เนี่ยคือคนขาดขันติทนหิวไม่ได้ทนตรากตําไม่ได้ใช่ไหมทั้งหลายหรือทนต่อกิเลสไม่ได้เนี่ยก็เพราะไม่มีห้องคือขันติเนี่ยแล้วแล้วคุณธรรมจะเกิดยังไงจะเรียกร้องให้ศรัท ธ, ธามาความเชื่อมั่นในพระราชนาาัดใจจะมาไหม จะเรียกร้องให้ความเพียรมาก็าไม่มาเ ร, เรียกร้องให้สติสมาธิปัญญามาท่านไม่มีห้องนี้พวกเราจะมานั่งวามตรงนี้ได้ไหมได้มานั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้ถ้าไม่มีขันติอุสลรธรรมเกิดไม่ได้กิเลสก็เกิดแทนแค่นั้นอันขันติจึงเป็นตัวขจัดบาปออกก่อนมันถึงจะมีที่ประชุมของศีนสมาธิปัญญานี้เป็นต้น เห็นควต้องการนี้อย่างว่าขันติมต้องเจริญจริงๆริงใช่ไหมจิตใจมันต้องกล้ากล้าอาถานจริงๆนี้เป็นต้นสองหากว่าทุกมีความเสียหายของผู้อื่นเป็นนิมิตเกิดขึ้นอัตภาพอันเป็นเขตของทุกนั้นก็เพราะกรรมมันเป็นพืชของทุกนั้นของเรานั่นเองปรุงแต่งไว้แล้วการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเป็นหนี้ของทุกนั้นเข้าใจคำนี้ไ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจไหมทกเนี่ยมีความเสียหายของผู้อื่นเป็นนิมิตเกิดขึ้นถ้าคนอื่นทําเรามาเบียดเบียนเราคนอื่นมาประทุษร้ายเราคนอื่นมากันแกล้งเราที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไร ทำไมเราจึงป่วยทำไมเราจึงถูกกานแกล้งไปนะที่ไหนทำไมเราไม่รับการยอมรับทำไมเราจึงยากจนทำไมเราต้องลำบากทำไมเราจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากกรรมคือการกระทําอดีตและการกระทําปัจจุบันของใครของใคร ของตัวเราฉั้นเวลาทุกความเสียหายมันเกิดขึ้นเนะ่ยเราจะไปมันเกิดขึ้นจากอะไรเราขาดขันตีในอดีตใช่ไหมเมื่อขาดขันตีในอดีตแล้วก็ไปทํากรรมช่วยไม่ดีในอดีตแล้วก็รับผลของการกระทํารับสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบนันนี้แล้วปัจจุบันนี้ถ้าขาดขันตีอีกอะไรจะตามมาเห็นไหมว่าการณีแบบนี้ ก, กรรมมันเป็นพืชกรรมทุกนั้นใครเป็นคนปรุงแต่งขึ้น ก็ไอตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ทํามาใช่ไหมเล่างั้นการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเป็นหนี้ของทุกนั้นเอาสิในกรณีอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อทั้งหลายเหล่านีน้ที่มันเนี่ยมันเกิดจากกรรมหนึ่งปัจจุบันกรรมใช่ไหมสองอดีตกรรมทั้งปัจจุบันกรรมอดีตกรรมที่กำลังทํากู้ๆมั่วๆ ก, ก, กันอยู่เนี่ยมันก็ปรุงแต่งทุกให้เกิดขึ้นในเรานี่แหละและเราจะไปโทษใคร เวลาแม่ด่าเราเราโทษแม่ครูบาอาจารย์ด่าเราเราโคตโทษครูบาอาจารย์ไอการคิดอย่างเนี้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ถูกด่าเพราะอะไระทำไมเพราะอะไ ร, รอ๋อคนตั้งเยอะแยะเขาไม่ด่าทำไมมาด่าเราเรอ๋อกที่้ก็ปัจจุบันด้วยไอปัจจุบันที่เราทำกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย นะโดยมากก็คือปัจจุบันโดยส่วนใหญ่โดยทั้มไปก็ไอ้ ก, กรรมนี่แหละเป็นตัวแต่งนะหรือ น, น, น, น, น, นี่เนี่ยเมื่อวานเนี้ยเราทําไม่ดีวันนี้ก็โดนเบียดเบียนอาทิตย์ที่แล้วทําไม่ดีเดือนที่แล้วทําไม่ดีเนี่ยเนี่ยฉะนั้นสิ่งต่างๆตัว น, นี้ต้องพิจารณาให้ดีนะว่าทุกมีความเสียหายของผู้อื่นเป็นนิมิตนั่นเน่ยเกิดขึ้นเนี่ยอาตาภาพมันเป็นเขตของทุกนั้นเพราะกรรมมันพื้ของของทุกนั้นเกิดขึ้นเราในเอ็มภูปรุงแต่งไว้การปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเป็นหนี้ของทุก เออเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราพิจารณาเหตุพิจารณาผลแล้วเราจะไม่โกรธคนเราจะไม่โกรธเขาเราจะขนะ่มได้เราจะไม่โทษบางคนในเวลาโดนทุกคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะถูกว่าปุ๊บเราจะหาแล้วเราจะโยนหาบุคคลอื่นแล้วจะโยนหาความผิดใส่บุคคลอื่นสังเกต ด, ดูนะจ้งหนูลองสังเกต ด, ดูนะเพราหนูถูกว่าปุ๊บเนี่ยหนูจะไม่ไม่เคยคิดว่าไอ้กรรมที่ตนเองปรุงแต่งมันไม่เหมาะสม เป็นเหตุทำให้ตัวเองโดนว่าไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะจะต้องไปโทษคนอื่นทันทีว่ามาว่าเขาได้ยังไงคนในโลกนี้เป็นแบบนี้หมดก็โยนบางทีก็โยนไปถึงว่าซวยเหลือเกินโยนไปกรรมในด่ดีโยนถึงว่าพระเจ้าดนบันดาลโยนไปถึงอีกดวงดาวโยนทุกความซวยขอยงตนเองนี่อะไรต่างๆ่างเหล่านี้การคิดในลักษณะอย่างนี้มันผิดหรือถูกเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามเหตุแผลเมื่อไม่มีผู้ทําให้เสียหาย ขันติสมัทาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครถ้าไม่มีคนด่าเราเนี่ยขันติเราจะมีโอกาสได้ฝึกไม่มีปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากเกิดขึ้นขันติสมัทาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมเออเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็จะ โอ oh, ้จริงๆมันกลับกลายเป็นโอกาสในการที่จะปลึกขันตินี่มอ อ, อยังแม้หากผู้ที่ได้ทําความเสียหายในบัดนี้ผู้นั้นก็เคยทำโอกาสแกเรามาก่อนอีกอย่างหนึ่งเนะยผู้ทําให้เกิดความเสียหายเป็นผูปเพราะเป็นเหยืห่อถึงขันติฉะนั้นถ้าใครมาทําความเสียหายกับเรามาเบียดเบียนเรามาเปิดทุสไลด์เราเราควรโกรธเขาหรือควรขอบคุณเขาในใจรจำ ควรขอบคุณเขาถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะไม่ได้สร้างคันติไม่ได้สร้างบา ร, รมีข้อนี้ฉะนั้นกลับไปคิดใหม่นะลำ บ, บากไม่คิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้จะประสบความสำเร็จไหมคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนี่เป็นแบบนี้หมดเลยอันในวันที่สตีฟจ็อบโดนขับโดนโกงโดนโกงหมดเนื้อหมดตัวเลยนะ ที่ร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนครั้งแรกที่ใช้ลงรถของตัวเองในการที่ทำทาบริษัททำอะไรเยอะแต่แล้ว ต, ลต่อมาโดนโกงเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยตัวเองเหลือแต่เสื้อผ้าเดินออกมาตัวเปล่าไม่มีอะไรเล ย, เยสติฟจ็บคิดอ่าี้สตีจ็อบคิดว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิต เห็นไหมไอ้อขอบคุณเลยอขอบคุณเพื่อนเลยอะก็นี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าเราโดนไล่ออกจากบ้านอดีตภรรยาเขาไปมีใหม่ก็ไล่ออกจากบ้านทั้งหมดเขาไม่กลับเข้าไปอีกเราจะคิดไว้นี่คือความเริ่มต้นที่นี่คือความประสบนี่เราจะประสบความสําเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของเราที่ดีที่สุด ที่ปลอดโปร่งที่สุดที่โล่งที่สุดที่เป็นอิสระที่สุดเราจะคิดอย่างนี้มั้ยพอคุณที่ไล่ฉันออกจากบ้านเห็นไหมเนี่ยรักษาจะคิดอย่างนี้จะประสบความสำเร็จไหมจะไปคิดเรื่องอะไรติดข้องเนี่เขาบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ทําเสียหาย ขันติสมถาของเรามันเกิดไม่ได้ฉะนั้นต้องมีคนทําความเสียหายกับเราขันติมันถึงจะเกิดแม้หาผู้นี้ได้ทําความเสียหายในบัดนี้ผู้นั้นก็เคยทําอุปการะแก่เรามาก่อนคือคนคนเนี้ยปัจจุบันนี้สมมุติอะเนนสมมเนนแช่มาทําความเสียหายกับท่านไหนหรือท่านไหนทำความเสียหายกับสมมเนมม น, เนบอกทุกคนต้องคิดเลยว่าโอ้เนี่ย นเน้ชมป์น่ยในอดีตก็เคยมีอุปการะกับเราปัจจุบันก็อาจจะทําความเสียหายแกเราก็าไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะไปโกรธคนที่มีอุปการะกับเรามาก่อนได้อย่างไรเือวิจีคิดอย่างเนี้ยผู้ทําให้เสียหายนั่นแหละเป็นผู้มีอุปการะเพราะเป็นเหตุทําให้เราบรรลุถึงขันติสัมปทาหรือคันติบา ร, รมี อย่นั้นเวลามีใครมาโอ้ oh, oh, พระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ท่านโดนปทุสลายเนี่ยตอนที่ท่านโดนปทุสลายตอนที่โดนกัดแกล้งเนี่ยท่านกลับมองเห็นโอ้ oh, คนที่มากัดแกล้งเรามาปทุสลายเราเนี่ย mm hmm. เขามีอุปการะคณทําให้เราได้เยอะเล ย, เยนะต้องเพิ่มความเชื่อมัน่นต้องเพิ่มสติต้องเพิ่มความเพียรต้องเพิ่มสมาธิต้องเพิ่มปัญญา เขาต้องได้ขันติโอ้คนคนนี้มีอุปการะคุณกแกเราเนาะนั้นสัมมาสัมปทาญาณได้มาเพราะอาดีตพระเทวทัตเยอะเลย อ, อ, <c oughs> อดีตพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ในคันติวาตีดาบท้ังเกยดดูไหมพระเจ้ากลาปูนี่โอ้โหสั่งให้ตัดแขนท่านสั่งให้ตัดขาท่านให้ตัดจมูกตัดหูเนี่ยโอ้โหเนี่ยฝึกเต็มที่เลยถ้าไม่ได้คนประเภทเนี้ยมา ทดลองหรือมาฝึกไงแล้วเราแล้วท่านจะแข็งแรงไหมแข็งแกร่งไหมได้บททดสอบแบบแรงล้างนันไม่มีเลยฉะนั้นต่อไปเวลาใครลงโทษหนูโอ้ยต้องขอบคุณเขาเลยแล้วบางทีต้องไปสะกิดว่อาจารย์ครับช่วยลงโทษให้หนักกว่านี้หน่อยครับผมใหม่รู้สึกผมได้ฝึกตัวเองเต็มที่เลยเขราะฉอย่างเดี๋นี้งั้นใครที่มาลงโทษเรามาตําหนิเรานี่ยเนี่ยเขากำลังจะให้อะไรเรา เขาต้องการจะสร้างเหตุทําให้เรามีคันติบารมีเริ่มเห็นประโยชน่ได้ยัง <c oughs> แดดร้อนนี่เป็นเหตุทําให้เราได้คันติบารมีใช่ไหมความหิวก็เป็นเหตุทําให้เราได้คันติบารมีอุปสรรคทั้งหลายเดินไกลๆก็ทําให้เราได้คันติบารมีโอ้ยได้เยอะเลยเนี่ยไอ้บทเ ย, ยากบทเรียนยากๆบททดสอบยากๆอุปสรรคมา ก, มากๆเป็นเหตุทําให้เราได้คันติบารมี สรุปแล้วการ น, นอนไม่หลับทำไม่ได้อะไรคคตตีไหมได้เยอะแต่เราจะเอาประโยชน์จากมันได้หรือเปล่าบางทีเราไม่เอาเอาประโยชน์ไม่ได้ก็เลยได้กิเลสไปฉะนั้นต่อไปเอาละเราจะเอาไอ้บททดสอบนี้แหละมาเป็นจุดแ <c oughs> ห่งการได้บารมีซะเลยถ้าทำใจอย่างนี้ได้ปุบ๊บ มาเลยจะมาในรูปแบบไหนก็ได้เชิญมาต่ไปหนูช้าก็เขียนติดหน้าห้องเชิญท่านทั้งหลายทดสอบได้พระเจ้าจะปลึกบรารมีให้เห็นปลึกขันติบรารมีให้เกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดพระบริษัท์ท่านคิดเป็นเช่นบุตรของเราพระเจ้าเนี่ยมองสัตว์โลกในจักรวาลทั้งหมดเป็นลูกนะนี่ใครจะโกรธในความผิดที่บุตรทาได้ บุนี้ทําความผิดแก่เราด้วยความไม่งามด้วยอาการไม่งามแห่งปีศาจคือความโกรธอันใดก็หมายความเวลาคนเดียอย่างท่านใครไปบัตรทศร า, ายบริษัทก็คือถูกปีศาจสิงนั่นเองเช่นโกรธใช่ไหมความโกรธประดุจเป็ปีศาจนี่แหละสิงเราเราควรช่วยกําจัดอาการไม่งามมันเป็นความโกรธเหล่านี้นก็หมายความว่ า, วาเออเละอย่างสมมติว่าเนี่ยแชมโกรธท่านไหนเนี่ย ท่านนายคิดปุ๊บเออตอนนี้เนนชั่มกะลังถูกปีศาจสิงอยู่ถูกปีศาจสิงอยู่เออท่านนายก็มองเนนชั่มเหมือนบุตรเป็นบุตรของเราอเออใครเราจะโกรธโกรธใช่ไ้ยหรือจะไปโกรธในความการกระทําของผิดของบุตรนัน้ถ้ามองเป็นลูกซื้อหมดจบแล้วทุกนี้เกิดแก่เราด้วยการกระทําให้เสียหายใด แม้เราก็เป็นสาเหตุการทำให้เสียหายนะั้นใช่ไหมเออถ้าถามว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแกเราที่เราได้รับความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้สิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้เราก็เป็นสาเหตุ ข, ของการทำให้เสียหายของเราก็เป็นสาเหตุจริงๆแล้วลเ้วไปโทษสิ่งอื่นไม่ได้เรานี่แหละเป็นเหตุทําให้เราได้รับความเสียหายนั้นนะไฟไหม้บ้านก็<ฮ>แบบเรานี่แหละ น้าท่วมบ้านกับเพราะเรานี่แหละไอความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราไปสร้างเหตุของความเสียหายมานี่แหละมันถึงได้รับโทษภัยแบบนี้แต่เราระลึกไม่ออกระลึกไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อไหร่อย่างไรจะเข้าใจอย่างนี้เสี ย, ยโอ้โหทีนี้มันก็เพิ่มขันตีได้มากขึ้นถูกทําความเสียหายด้วยทำใดและทําในที่ใดสิ่งนั้นแม้ทั้งหมดก็ดับไปในขณะนั้น บัตรนี้ใครจะพึงไวปเวลามีคนมาประทุษล้ายเรามากโกรธเราเนี่ยความกโกรธของเขามันดับแล้วนะพี่ๆการกระทํานั้นทีมันหมดไปแล้วแล้วเราจะมาเก็บเรื่องนั้นมาใส่ใจมาทุกเนี่ยมันก็ควรให้มันดับไปตามๆกันในขณะนั้นด้วยมมันีวิธีคิดอย่างเงี้ยนะใครจะจะไม่มีใครทําผิดแก่ใครว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้รับหรอกไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้กระทําหรอก ถมองอย่างนี้เสียมองเห็นเป็นขันห้าจะจบไหมทีนี้มองเห็นเป็นกระแสชีวิ ต, ตจะกระจกแล้วอันหนึ่งหากว่าความโกรธมีการทําความเสียหายกับผู้อื่นเป็นเหตุพึงครอบงําจิตและตั้งอยู่เพราะการสะสมมาช้านานของบุคคลนั้นบุคคล น, นั้นควสรสมเด็จดังนี้หนึ่งชื่อว่าขันติเนี่ยเป็นเหตุช่วยเหลือการปฏิบัติอันเป็นปฏิบัติต่อผู้มีความเสียหายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะโอ้ขันติควรจเจริญว่างั้นเถอะ ปกติของตามปกติของอินทรีย์นั้นก็คือการได้ประจวบเข้ากับอารมณ์ทั้งน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาข้อที่จะปรารถนาในอินทรีย์ตามปกติว่าการได้ประจบกับสิ่งที่น่าปรารถนาไม่ไม่พึงมีแก่เราดังนี้จะพึงได้แต่หน้าที่ไหนวิธีการก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้สิ่งที่น่าชอบใจมนุษย์ทั้งหลายเกิดมามันทั้งได้ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจตลอดใช่ไหม ทุกวันไม่เคยมีเลยนะที่เราจะได้ชอบใจตลอดเวลามันจะได้สิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างมันเป็นปกติของมันอยู่นี้ตลอดเวลาฉะนั้นเราไม่ควรไปใส่ใจกับความชอบใจและไม่ชอบใจรู้เราควรฝึกขันติคือความอดทนอดกลั้นเนี่ยวางท่าทีทางใจให้ชัดมีปัญญาที่เข้าไปรู้จัดแก้จัดแจงในเรื่องนี้ให้ให้ตลอดสายเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยให้ชัดเจนนั้นวางความขันติความอดทนความอดกลั้นให้เกิดขึ้นในใจไว้ เราจะได้ไม่ไปหวั่นไหวตัวการแฝงและฟูหรือดีใจเสยียใจทั้งหลายเบตเต้ลเหล่านี้พอมองเห็นนะนะตรงเนี้ยนะนนยสัตว์ผู้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธมัวเมาด้วยความโกรธเป็นผู้มีจิตพุ่งสั้นประโยชน์อะไรด้วยการทําความเสียหายตอบโต้หรือตอบในสัตว์ผู้ตกอยู่ในอำนาจความโกรธนะั้นถ้ามองยนี้คือว่าเขาไอ้บ้านนี้ตกอยู่ในอำนาจความโกรธเรื่องอะไรถ้าคนเข้ามาไปทุจริยเราแปลว่าเขากําลังถูกความโกรธจัดการเขาอยู่ใช่ไหมใช่ไช่ แล้วเรื่องอะไรแหละเราจะไปตอบโต้อะไรกับเขาเราจะไปโกรธตอบตามเขาเดงไม่เหมาะเลยเวลามีคนแชมป์สมมติมีเพื่อนของแชมป์เข้ามาตรนหน้าแชมป์แล้วเขาไปตักอุจจาระใ ส, ใส่ใส่ถืออุจจาสคิวมาสใสก่กระป๋งแล้วมาถึงตอนหน้าแชมป์ปุบ๊บเขาก็อุจจาระหาดของตัวเองแชมป์จะมีความสุข แชมป์ก็โกรธใช่ไหมวิ่งไปหาอุจจาระมาราดตัวเองตามเขาหรือหรือกรณีวะมีคนไปเอาอุจจาระนะเอามือคว้าอุจจาระมาพมาต่อหน้าแชมป์มาทาหน้าตัวเองเนี่ยแชมป์ก็พี่มึงทําได้กูก็ทําได้ว่าขออุจจาระบังก็มาทาหน้าตัวเองเนี้ยอันเดียวกันยันเวลาเจอเขาโกรธเขากําลังเอาอุจจาระทาหน้าตัวเองไหมคนโกรธเนี่ยที่ก็ต้องโกรธปากสันมือสัน ตาเขียวเหมือนเอาอุจรารทาหน้าตัวเองอยู่นี่เราเราจะไปโกรธตอบเขาได้ไหมเราฮไม่ได้มึงทาบุกษ า, าตาตำโอ้ oh, <laughs> ไม่ไดีเลยมองเห็นไงมันไม่ควรไม่ควรทำอย่างนี้เออถ้ามองอย่างนี้ถ้าเราเคารพพระเจ้าไหมศรัทธานในพระเจ้าไหมเชื่อมั่นไหม แล้วมาใช้สัญญารยาละของพระเจ้าเนี่ยแปลว่าเราศรัทธาเนี่ยนี่ทรงผมนี้เป็นทรงของพระเจ้าจีวรนี้เป็นจีวรของพระเจ้าอากัศกิริยาปองผมและหนวดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นอากัศกิริยาของพระเจ้าภาชนะที่เราใช้คือบาตรก็เป็นของพระเจ้าเสนาสนะนี้ก็เป็นของพระเจ้าอาหารก็เป็นของพระเจ้ายาที่เรากินอยู่ก็เป็นของพระเจ้าเนี่ยอาวุที่เราใช้สอยทั้งหมดนี่เป็นของพระเจ้าเราศรัทธาในพระเจ้าไหม เชื่อมัน่นยังไงแล้วพระเจ้ามองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นบุตรของท่านทั้งหมดเนี่ยเนี่ยบุตรของพระเจ้าหมดเลยนะไม่ว่าจะเคนชาติเชื้อชาติศาสนาใดก็แล้วแต่และเราเมื่อเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วเราไปโกรธบุตรของพระเจ้าเนี่ยสมควรแก่เราไหมไปโกรธลูกของพระเจ้าสมควรหรือไม่สมควรไม่สมควรเลยนั้นไม่สมควรนี่เป็นนี้ เราไม่ควรทําใจโกรธในสัตว์เหล่านั้นจะไปโกรธในสัตว์เหล่านั้นก็ไปโกรธลูกของพระเจ้าซึ่งพุระเจ้าเนี่ยพิจารณากระแสชีวิตทุกกระแสชีวิตด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยความอนุเคราะห์อันดีงามแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วพระเจ้าใช้ญาณปัญญาพิจารณาไว้หมดแล้วสัตว์เหล่านี้ฉะนั้นเวลาเราไปโกรธเขาในอัตภาพใดก็แล้วแต่เราก็รู้ขันเนี่ยพระเจ้าเคยพิจารณาด้วยกรุณามาแล้วด้วยเมตตามาแล้วเราไม่ควรไปโกรธกระแสชีวิตนี้ถ้าเราศรัทธาในพระเจ้า จะคิดได้เยอะแยะเลยนี่ยจะไม่โกรธใครอีกแล้วคแบบจะไม่น้อยเนื้อต่าใจใครจะด่ากครจะชมอลูกของพระเจ้าด่าแล้วลูกของพทธเจ้าชมเราโอ้ใจเราก็จะไม่โกรธใช่ไหมแต่อไปเห็นเนรชั่จะทำไงทาไม่โกรธเลยจีิงๆโอ้เขาทำบาปเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่โกรธนี้เป็นต้นเมื่อผู้ทําความผิดมีคุณ เราก็ไม่ควรทําความโกรธในผู้มีคุณเมื่อไม่มีคุณเราก็ควรแสดงความสงสารเป็นพิเศษอ่าสมมุตินะเอ่อเน้นแชมมองท่านไหนปุ๊บบอกเออเราไม่ควรโกรธเพราะท่านมีคุณมีศีลคุณมีสมาธิคุณมากกว่าเราเนี่ยนะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเออไปมองอีกคนหนึ่ง อ่ไปมองสุนัขเนี่ยไอสุนัขนี่มันจะกัดเราเนี่ยเออเราก็ไม่ควรไปโกรธถึงงั้นไงควรสงสารเป็นพิเศษด้วยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีคุณเขาไม่มีคุณเราควรสงสารเป็นพิเศษโอ้ยทําไงเนาะเขาจะมีคุณธรรมที่สูงขึ้นเขาจะได้ไปสุคติเห็น ไ, ไหมทั้งผู้มีคุณทั้งผู้ที่ไม่มีคุณเราก็ไม่ควรโกรธเขายศ อ, อันเป็นคุณของเราย่อมเสื่อมไปเพราะความโกรธ ไม่ถ้าโกรธเนี่ยยอดจะเสื่อมโดยเฉพาะความโกรธมันทําให้หมดอํานาจคนขี้โกรธทั้งหลายอํานาจก็ค่อยๆหมดไปหมดไปสิ่งนั้นเป็นค่าศึกทั้งหลายมีผิวพันธุ์เส้าหมองและความเป็นอยู่อยู่ได้เป็นทุกข์ถึงแก่เราด้วยความโกรธฉันร้องโกรธมากๆผิวเส้าหมองไหมนะ่ะเข้าความทุกข์จะตามเราเนี่หลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายตามมาอีกเยอะมาก ทเทวดาวไม่รักษาไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไม่เป็นที่รักของามนุษย์ไฟสตรา ย, ยาพิษโลกร้ายก็เบียดเบียนสีหน้าก็เศร้าหมองสมาธิเขาไม่มีฟุ้งซ่านด้วยแล้วก่อนตายก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยตายแล้วก็ไปทุกขติอีกโอ้ไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยนะี่โทสาเนี่ยเอ า, างั้นเถอะขันติตรงกันข้ามเชื่อว่าความโกรธนี้ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างยังประโยชน์ทั้งพวงให้พิ่นาทด้วยเป็นข้าศึกที่มีกําลังเมื่อมีขันติข้าศึกใดๆก็ไม่มี ความโกรธมันทำความเสียหายให้หมดเลยดังนั้นความโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจทั้งหลายเหล่านี้ยแต่ถ้ามีคันติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้จะไม่มีแล้วจะจัดแจงต่างๆตึงต่างๆเหล่านี้ได้เลยทุกมีความผิดนะเป็นเหตุทําผู้ทําความผิดพึงได้รับต่อไปแต่เมื่อมีคันติเราก็ไม่มีทุก์แล้วเวลาเรามีโทสะมีกิเลสทั้งหลายเหล่านี้โอ้ยเราก็จะต้องเจ็บปวด กิกเลสแล้วเนี้แต่ถ้ามีขันติเราก็ปลอดภัยข้าศึกย่อมติดตามเราผู้ปล่อยใ ห, ให้ให้ความคิดโกรธเป็นไปเนี่ยเมื่อเราครอบงำความโกรธด้วยคันติแล้วข้าศึกก็เป็นธาตุข้าศึกที่เป็นธาตุของความโกรธนั้นก็จะถูกครอบงาําโดยชอบด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เหมือนกับมีข้าศึกตามเราตลอดเวลาเหมือนศัตรู ตามเราเหมือนเงาตามตัวตลอดเวลาคอยประหัดประหารคอยเบียดเบียดไปทุจร้ายเราแต่พอมีขันติปุ๊บเราก็ขจัดข้าศึกเหล่านั้นได้ข้าศึกคือความโกรธทั้งหลายบาปทั้งหลายก็จะไม่ติดตามเราเนี่ยการยอมสละขันติคุณด้วยมีความโกรธเป็นเหตุไม่สมควรแก่เราระหว่างความโกรธกับขันติเนี่ยเราจะให้ใครมาเราจะสละใครขันตินะ อาสาระใครความโกรธกับขันตินีเราจะความโกรธไว้แสดงว่าเราจะให้ศัตรูที่ถือมีดตามคอยฆ่าเราตลอดเราไม่กลัววังเม่วิบัติเลยความคิดแบบนีวิบัติแท้ๆวยเลยความคิดแบบนี้าบบนนะภาษาพระเขาเรียกว่า <c oughs> จะเข้าถึงความฉิบหายโดยแท้ ถ้าถึงความวิบัติโดยแท้เราก็ต้องสะความโกรธใช่ไหมเพิ่มพูนกันตินี่แหละเมื่อมีความโกรธนันเป็นฆ่าศึกที่ทําลายคุณธรรมคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจะพึงถึงความบริบูรณ์แกเราไม่ได้ได้อย่างไรถ้าเรามีโทสะมาแล้วเนี่ยศีลก็ถูกทําลายสมาธิก็ถูกทําลายใช่ไหมแล้วก็ปัญญาก็ถูกทําลายด้วยเมื่อไม่มีธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นแล้วเราจะเป็นผู้ มากด้วยอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายถึงสมบัติสูงสุดสมควรแก่กปัญญาได้อย่างไรไม่ได้เลยไม่ประสบคาวามสาเร็จสัมมาสัมปอริยาณปเจกับปอริยานสาวกปอริยานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ได้แล้วเมื่อมีขันติสังขารทั้งหลายทั้งปวงของผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านที่เป็นไปในภายนอกย่อมทนต่อการเพ่งโดยการเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทำทั้งหลายทั้งปวงก็ทนต่อการเพ่งด้วยความเป็นอนัตตาและนิพพานก็ย่อมทนต่อการเพ่งด้วยการเป็นอสังคตะอมตะเป็นสันติและประนีเป็นต้นด้วยแต่พุทธธรรมทั้งหลายก็ย่อมปรากฏด้วยความเป็นอจินไตหาประมาณไม่ได้ได ม, ดมีด้ประการอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อพอมีขันติแล้วเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะประชุมในกระแสชีวิตของท่านบุญนั้นก็จะพิจารณ์เมื่อมีปัญญาก็สามารถไปพิจารณาเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นพึงพิจารณาขันติบารมีโดยนายเป็นที่ว่าผู้ตั้งอยู่ในขันติอันเหมาะสมย่อมควรแก่การเพ่งก็ควรแก่การที่จะเจริญสีสมาธิปัญญาเพราะเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในอาหางการและมามาังการอาหางการก็สําคัญว่าเรามามังการก็มีตัวตนของเราเนี่ยความเป็นสิ่งธรรมดาอันเว้นจากความเป็นตนและความเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยกับตนเหล่านี้อย่างเดียวย่อมเกิดขึ้นย่อมเสื่อมไปด้วยปัจจัยทั้งหลายของตน ย่อมไม่มาแต่หน้าที่ในไหนย่อมไม่เป็นในที่ในไหนไม่ตั้งอยู่ในที่ในไหนที่นี้ก็คือว่าพระโพธิสัตท่านพิจารณาตรงนี้นะพิจารณาธรรมะตรงเนี้ยเกี่ยวเรื่องของขันติเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเป็นห้องประชุมของคุณธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ทีนี้มาพิจารณาเรื่องลักษณะของขันตินะหรืออโธสะเนี่ยหนึ่งอาจารย์ทิกะลัคนวาอาวิ โรท่านนรคโนมีความไม่ดุร้ายเป็นลักษณะคนที่มีกัณตีเนี่ยก็คือมีความไม่เคร่งเครียดเหมือนมิตรผู้อนุบาลช่วยเหลือเหมือนเพื่อนคอยช่วยเหลือเราตลอดหมายความว่าสภาพของอโทสะก็คือสภาพที่จิตไม่ดุร้ายไม่อยากกระดา้างทำให้สภาพจิตนั้นมีความเป็นมิตรเมตตรีกับบุคคลและอารมณ์ทั้งปวงสังเกตไห้ เวลาเรามองสิ่งต่างๆหงุดหงิดไหมในขณะที่เรามองสิ่งต่างๆมองสัตว์มองบุคคลมองสังขารทั้งหลายแล้วงุดหงิดแปลว่าใจดุร้ายเรามองเห็นสัตว์และสิ่งของไม่เป็นมิตรกับเราทั้งหมดเลยมองเห็นบ้านก็หงุดหงิดมองเห็นอาหารก็หงุดหงิดมองเห็นเสื้อผ้าก็หงุดหงิดโกรธเนี่ยน้อยใจอะมองเห็นบุคคลทั่วไปก็งุดหงิดเราเป็นผู้หนักในโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์แรงไหม แรงใช่ไหมขี้โกนเลย<ม>เห็นอะไรหงุดหงิดง่ายไหมไม่ไม่เป็นบ่อยไห ม, ไม อ, ยยอย่างเจ้านี่จะเป็นคนกิ้งหงุดหงิดเห็นไมก็จะเป็นลักษณะทำอะไรปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊ปบป น, นี่บ่งบอกก็คือเขาเรียกว่าคนโทสะฉลิท โทลิเมื่ออโทสะเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วภายในความรู้สึกของบุคคลนั้นย่อมไม่มีความดุร้ายไม่ไม่ผูกโกรธไม่โกรธแม้จะมีความโกรธความอาฆาตแค้นเคืองและความหงุดหงิดกำการใจเป็นต้นอยู่ก็ตามแต่เมื่ออโทสะเกิดขึ้นพร้อมกับสามัยญาธรรมปุ๊บอาการแห่งโทสะความดุร้ายความหงุดหงิดทั้งหลายก็จะหมดไปทันที เพราความคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเปรียบเหมือนมารดาบิดาที่มีความเอ็นดูบุตรเนี่ยจะเกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะนี้ประการที่สองอาคาตะปริราหะวินยารโสก็คือมีการกําจัดนะอาโทสาเกิดขึ้นก็กําจัดความอาฆาตกาจัดความร่าร้อนเป็นกิจเหมือนอะไรเหมือนเนื้อไม้จันหอมที่กําจัดความร้อนความเหนียวเหนื่นนะทําให้เกิดความเย็นสบายฉันนั้นแหละ ก็คือสภาพอัโทส่าเนี่ยมันจะกําจัดความอาฆาตกําจัดความพยาบาทกําจัดความจองเวรนะหรือความหงุดหงิดลาคาญใจด้วยอำนาจของโทส่าให้สงบลงได้มีการให้อภัยแก่คนที่กระทำผิดต่อตนได้เนี่ยถ้าเกิดอาโทส่าเกิดขึ้นหรือขันติเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีความให้อภัยแก่ตัวคนอื่นได้ใครที่คิดปฏิทุสลายกับเราหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันจะวางท่าทีจางใจสภาพใจจะเยือกเย็นอาการปรากฏมันจะมาจากคําำผสมมะ ภาวะปัจจุบันทานน้องก็คือร่มเย็นเป็นอาการปรากฏเวลาพระจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนส่องเลำพองดูดวงจันทร์เบิกจิตใจเปไหนห็นเย็นเยือกเย็นเลยอันนี้เยือกเย็นไม่เคยมองใช่ไหมชีวิตคนทุกวันนี้ไม่เคยเย็นเออถ้าพูดถึงเรื่องดวงจันทร์เนี่ยจานทร์เป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆเด็กๆประมาณก็สี่ห้าขวบจันทร์ก็ไปมองไปนอนเข้าไปนอนนอกชานป้านโบราณจะมี เ ข, า, ขาจะเอาเสื่อหมอนไปแอบนอนแล้วก็จะดูดวงจันทร์นะครเพราดูแล้วจิตใจจะเยือกเย็นสงบเวลามองก็เห็นแต่ก่อนนี้มองพยายามมองเนะี่ยมันจะเห็นรูปลักษณะเหมือนกับกระต่ายใช่ไหมเหมือนกระต่ายในดวงจันทร์บางทีผููตาแ ย, ยา่ ย, ย์เขาเ อ, อนะ้ยมีตาขยายอยู่วันนั้นนะแล้วมองมนะันดวงจันทร์มีตาขระยัยนะเลยก็จะมองแล้ววัดจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วจะเยือกเย็น อาการบุคคลที่เมตตาเกิดขึ้นโทสะ อ, อึ่งคันติเกิดขึ้นอะโทสะคือสภาพใจที่ไม่โกรธเกิดขึ้นจะเป็นแบบนั้นสภาพจิตจะเกิดความเยือกเย็นเกิดขึ้นไม่เร่าร้อนไม่เลือกไม่เ ร, าร่มเรารมันตรงกันข้ามกับโทสะโทสะมมีความเลือกเร่าร้อนเดือดดาลส่วนอะโทสะเนี่ยมีสภาพที่สงบเย็นทําให้มีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขผู้ใดได้พบเห็นก็พอยสบายใจด้วยเนี่ย ฉะนั้นต้องฝึกแบบนี้เกิดขึ้นทำยังไงจะฝึกเป็นคนรุกรีรุกรนเป็นคนจิตใจเหมือนมีแผลตลอดเวลาถูกอะไรก็ไม่ได้ น, นี่คือโทสฝึกขาดเป็นคนเยือกเย็ยนเนเป็นคนจิตใจสงบเป็นคนที่มีความสุขง่ายเป็นคนที่ทุกยากแต่สุขง่ายคนประเภทนี้คือคนที่มีอโทสามีกาลังเห็นหนายในต้แก้ปัญหาไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ แต่จริงๆมันมีอยู่ลึกใตัวนี้แต่อีตัวอื่นมันมีกําลังมากกว่าอย่างจริงโลภะมีกำลังมันก็ทํากําลังโยนิโมสมนัสการและประทัดฐานาก็คือมีโยนิโมสมนัสกาปรปีธีใกล้เกิดบุคคลที่พิจารณาโดยใบยแยบใครอย่างถูกต้องให้สังเกตดูนะทำไมไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยนะหรือขันติเนี่ยไปมีพวกปัญญาไอ้กลุ่มโยนิโมสมนัสการการพิจารณาอย่างถูกต้องพิจารณาสังสารวัฏ คนนี้เคยเป็นพ่อเรามาคนนี้เคยเป็นพี่เรามาคนนี้เคยเป็นน้องเรามาคนนี้เคยเป็นแม่เรามาคนนี้เคยเป็นปู่ตายายยายเรามาเนี่ยพอพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นเป็นพ่อแม่ปู่ตายายายกันไม่มีเลยหาได้ไม่ไม่ง่ายเลยเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความโกรธมันไม่เกิดมัเป็นอุบายในการที่ปพิจารณาเลยนะพิจารณาที่จะเป็นเหตุแห่งการที่เราจะไม่โกรธในสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เนี่ยพิจารณาอย่างนี้อ้าว ท่านนายดีเ น, นี่ยคนคนเนี้ยเคยเป็นแม่เรามาแล้วเคยกินนมจากคนคนนี้มาในสังสารวัตรโกรธไหมล่ะพิจาจรังโอ้แต่ตอนนี้มาทําตาหน้าเกลียดเนะี่ยนะแต่ว่าคนคนนี้เคยมีอุปการะกับเรามาพอพิ่เจรังอย่างนี้ก็ไม่โกรธอย่างนี้เป็นต้นที่อุปการต่อไปคืออานิสงส์อานิสงส์ของคันตีมีอยู่ห้าอุปการเนี่ย นี่ต้องจาไว้เนี่ยตัวนี้หนึ่งพระโหชนะปิยมมนาโปก็คือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลเป็นอันมากอ้าวเราอยากจะเป็นที่ชอบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนไหมถ้าปรารถนาอยากจะได้อดีสงข้อนี้ก็จงเจริญขันตินะฝึกคันติทําให้เกิดขึ้นมากๆเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลเป็นอันมากโอ้ไปที่ไหนใครก็รักใครเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจเลยซึ่งผิดกับคนบางคนนะ เห็นแล้วอยากจะแกล้งเห็นแล้วอยากจะแกลงเนี่ยเนี่ยคนบางกนเห็นแล้วเป็นที่น่ารักนะาเนนี้คือตอนรามีขันติใช่ไหมใช่อันนี้สงอันนี้สงของขันติประโยชน์ที่ได้จากขันตินีถ้าใครฝึกขันติปุ๊บแล้วจะได้จะได้คุณธรรมข้อหนึ่งก็คือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเว็นนั้นมากข้อที่สองเป็นผู้ไม่มากได้เวรเข้าใจคานี้ไหมก็หมายความว่าใครก็ไม่ ไปนาที่ไหนใครก็ไม่คิดค่าเราไม่รักทราพยาเราไม่คิดประพฤติผิดต่อเราไม่ไม่ไม่โกหกเราไม่เบียดเบียนเราไม่มาพูดเราให้แตกแยกกับใครใครเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็าเขาไม่อยากมาเกาะเวรเลยมันมีมันมีอานอาิสงส์ของขันตินี่แหละคุณธรรมของขันติที่ภายในกระแสชีวิตเนี่ยเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันตัวเองทําให้พ้นจากเวรภัยทั้งหลายได้ด้วยข้อที่สาม ณวัชชะพหูโลก็คือเป็นผู้ไม่มากโดยโทษเป็นผู้ไม่มากโดยโทษเข้าใจคํานี้ไหมก็หมายความว่าไปหน้าที่ไหนเนี่ยเป็นคนไม่มีโทษถ้าหากคนบางคนไปหน้าที่ไหนมีแต่คนระแวงนะแต่เนี้ยคนที่มีขันติเนี่ยไปณที่ไหนมีแต่คนต้อนรับขับสู้มีแต่คนยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสเพราะงั้นไม่มีโทษไม่มีโทษ ที่ไหนเขาสบายใจไปอยู่กับใครเขาไม่หวาดระแวงใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีโทสะมากๆอยู่ระแวงไหมเอานีหนะว่าไอ้เจ้าเมฆเนี่ยเป็นคนโทสะมากไหมน่าจะใช่นั่นแหละกล้านอนด้วยไม่รู้มันจะลกเอามีดโดพันคอเราวมืไหร่ก็ไม่รู้จะมัน เนี่ยคนนี้เขามากได้โทษน่ากลัวคนขาดสติอยู่เรื่อยถ้าเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยฆ่าเรามาร้อยกว่าชาติถ้าเราระลึกได้และมาปัจจุบันในชาตินี้ก็เป็นภรรยาเราเราจะกล้านอนกับมันอีกต่อไปมันเคยตัดศีสันเรามาทุกชาติทุกชาติเลยและมาชาตินี้เราจะกล้านอนกับมัน เราจะรักมันอยู่มเนี่ยพราะเราไม่รู้เชื่อไหมว่าเป็นในอย่างเรื่องอย่างนั้นเยอะมาเยอะคนเราไม่ค่อยมีปัญญาไปรู้ความจริงคนนี้ข้อที่สามอัลซัมมุนโโหกาลังการโรติเป็นผู้ไม่หลงไม่เป็นอัลไซเมอร์เออคนมีคันติไม่ไม่ไม่เป็นอัลไซเมอร์ข้อที่สี่นะข้อที่สี่ไม่เป็นอัลไซเมอร์สรุปแล้วก็คือคนมีโทสะจะเป็นอะไรก่อนตายจะเป็นอะไรก่อนเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ สา ม, มุนหัวกำลังกระโดดสับเป็นแล้วก็ข้อที่ห้ากายสภเพทาปรมปราณาสุขติงสักังโลกังอุปชติติเป็นผู้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนยเนี่ยไอสงคันติทาไม่ไปสุคติโลกสวรรค์นะจะยังไม่ได้ไปนิพพานนะนี่เกืออานิสงส์ที่จะได้รับห้าประการจากการเจริญคันติ อาต่อไปคือลักษณะของผู้ที่ไม่มีความโกรธหประการอักโคโทเป็นผู้หมดความโกรธเป็นผู้ฝึกตนเองข้อสองเป็นผู้เลี้ยงชีพโดยชอบเป็นผู้เป็นผู้หมดความโกรธเนี่ยนี่ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความโกรธนะคือหมดความโกรธนั้นตรงตัวอยู่แล้ว ข้อสอก็คือเป็นคนฝึกตนเองคนที่ฝึกตนเองยังไม่กรดนะข้อที่3เป็นคนเลี้ยงชีพโดยชอบสัมาอาชีวะเนี่ยเลี้ยงชีพชอบข้อที่4เป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็หมายความมีบรรญารู้แล้วข้อที่5เป็นคนสงบข้อที่6ก็เป็นผู้คงที่ก็คือจิตใจมั่นคงไม่แปรเปลี่ย น, นต่อบคุคคล10บจำพวกต่อไปนะที่เราไม่ควรพรุทุสลาย ที่เราไม่ควรไปประทุษรลายแม้ความคิดก็อย่าไปคิดประทุษร้ายถ้าคิดประทุษสลายแล้วบาปจะให้ผลเรานะมีอยู่สิบสบุคคลที่เราต้องต้องต้องหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครไปคิดประทุษรลายพระเจ้าวิบัติกินตายเลยเเนี่ยคอแหลยาเจ็ดขาดเลยนะอย่าไปคิดประทุษร้ายพระเจ้าเคยคิดไหมเคยคิดประทุษร้ายพระเจ้าไหมไมเคยอ่าไม่เคยองพระปัจเจกพเจ้าก็อย่าไปคิดประทุษร้าย พระปเจกพระทีเจ้าคือผู้ตัดสรุ้ได้โดยตัวเองใช่ไหมแตไมไม่ไม่ไม่ไม่สอนบุคคลอยู่สามพะร ะ, พ ะ, พะอรหันตสาวกโคดพัทธิพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสี่พระอ克拉สาวกคืออย่างภาษาลิบุตรพระโอราณะเนี่ยเห็นไหมสี่แล้วนะห้าสิ่คืออะไร น, นะครับสี่คืออะไรครับ พระอัคราสาวกคือภ <Okay. S 1> าษาทิ่บดภาษาทีบดพระมคคัลลน่าที่เป็นอัคราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นคู่บุญบารมีพระเจ้าเนะี่ยเกิดมาเพื่อเป็นเหมือนกับอะไต้องหยุดเป็นมือซ้ายมือขวาพระเจ้าเลยอะ่ะประดุจอย่างนั้นเลยอย่าไปประทุษร้ายห้ามารดาที่ให้บังเกิดกล้าวแม้จะคิดอย่าไปคิดโอ้โห <laughs> มีบอรมุมนึกถึงตรงนี้สมัเนินบอมนะอย่าคิดเด็ขาดนะตรงเนี้ย บาปมันแรงมากหกบิดาที่บังเกิดเกล้าพ่อเนี่ยเจ็ดครูอาจารย์ผู้ประสาทความรู้โอ้โหไปคิดระสวยเลยนะนีนะ่อย่าอย่าไปคิดแปดศาสดาของลัทธิเดี๋ยวอย่าไปคิดรูสุดร้ายเขานะเช่นเช่นอย่างพระเยซูเนี่ยพระมูฮัมหมัดพวกเนี้ย ชาติสดาอย่าไปคิดเป็นทษจะร้ายเขาพวกนี้มีคุณนะอย่าลืมนะอย่าไปคิดเป็นโทษจะร้ายเขาบาปจะให้ผลเราสิ่งมันทําดีไว้ก็เยอะเข้าใจใช่ไหมเก้าผู้ให้ทานคนที่เคยให้ทานเราให้ให้ของเราไม่ว่าจะของเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปคิดเป็นทษจะร้ายเขาเขาเคยให้เรามจะวิบัตินะ แล้วข้อที่สิบทำมาก็ะึกผู้แสดงธรรมใครที่แสดงธรรมคนยี่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาให้ข้อมูลความรู้ทั้งหลายอย่าไปคิดบุคคลสิบจาพวกนี้เป็นผู้อยู่ในฐานะที่มีคุณสูงผู้ใดคิดประทุสร้ายก็จะประสบหายนะสิบประการนะสิบประการมีอะไรบ้างหนึ่งหลิงเลยนะ ประสบภัยยานศิปการนะ่ยหนึ่ยนงยอมได้สวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสทุกหนักเช่นเป็นโรคปวดศรีรษะอย่างแรงเป็นต้นข้อแรกนะถ้าเราไปพิสูจน์สลายตอนนี้ได้อย่างเริ่มเป็นโรคปวดศรีรษะอย่างแรงก้าเป็นต้นนะโรคร้ายจะเกิดโรคร้ายเป็นทุกเวทนาจะเกิดโรคร้ายไปขอสมาณ์ได้คือไข้ไมเกนใช่ไหมครับ มันหนักกว น, นั้นดีเนี่ยจะประสบทุกขเวทนาก็คือเกิดโรคภัยแค่เจ็บหลายอย่างนะมีการปวดศรีรษะเป็นต้นเป็นนาทีนะไม่ใช่แค่โรคเดียวนะมีข้อแรกข้อที่สองนะครับย่อมเสื่อมจากราบยศทั้งปวงก็หมายความว่าถ้ามีทรัพย์มีทรัพย์ก็เสื่อมทรัพย์วิบัติ ข้อที่สองนี่นะเอาข้อที่สามจะถูกทําร้ายร่างกายเช่นสูบถูกตีศีรษะถูกตัดแขนตัดขาเนี่ยจะถูกทําร้ายร่างกายนี่ข้อที่สามจะถูกตีศีรษะถูกทําร้ายร่างกายเป็นตัวเราเนี่ยนะนี่ข้อที่สี่จะเจ็บป่วยอย่างหนักเช่นเป็นอมัอมาาพฤกษอัมพาตเดินไม่ได้ นี่นะโอ้โทษแรงนะโทษแรงนะข้อที่ห้าย่อมถึงความพุ่งส่านแห่งจิตก็คือจะเสียสติและเป็นบ้านี่นะข้อที่ห้าจดไว้เลยได้จดไว้ไข้อที่หกจะถูกพระราชา คือจะต้องเกิดความขัดแยงด้ยยงกับพระราชาหรือก็ผู้นําประเทศถูกลงโทษถูกกฎหมายลงโทษถูกถอดยศถูกลดตําแหน่งเขาเห็นไหมมีใครที่เราถูกถอดยศถูกลดตําแหน่งถูกลิฟส์ซะนนี่นี่ลักษณะนี้นี่เพราะการไปรทุจร้ายบุคคลไปดูเถอะต้องต้องเคยไปทุจร้ายบุคคลสิทธิ์พวกนี้แล้วก็ข้อที่7ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง <Okay. S 2> ในเรื่องที่ตัวแดงไม่ได้ทำจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะเราจะเห็นชัดเลยนะจะถูกใส่ร้ายด้วยข้อที่แปดเสื่อมจากญาติครอบครัวแตกแยกไล้ญาติขาดที่พึ่งแล้วมีญาติมีพี่น้องตั้งหลายก็วิบัติวิบัติกระทันหันจะวิบัติจะวิบัติใหญ่ ข้อที่เก้าไฟจะไหม้บ้านหรือถ้าไม่ไหม้บ้านนะมีโพกกระซั์เช่นเลือกสวนไร่นาทั้งหลายจะชิบหายจะวิบัติเลยไปไหม้บ้านมีทรัพย์สมบัติมีนามีไร่ทั้งหลายวิบัติเลย น, นี่เก้าข้อเลยนะข้อสุดท้ายข้อที่สิบตายแล้วเข้าถึงทุกขติวิบัติเนอะห้ามตาย ลาสังขารและตายไปวั้นจำไว้บุคคลสิบจำพวกที่ไม่ควรประทุษร้ายประทุษร้ายในที่นี้คือคิดคิดให้เขาวิบัติคิดโกรธเขาคิดให้เขามีอันเป็นไปเคยคิดที่ยงเคยเลยคิดกับใอ่อคิดกับพ่อเลย โ, เโกรธธรรมดาโกรธธรรมดาหรือว่าคิดให้เขาวิบัติ มันมีกดธรรมดากับการคิดให้เขามีอ่านเป็นไปในกรณีนะอยากเนี่ยกธรรมดายังไ ม, ไม่ไม่เจ๊งเท่าไหร่อาจรย์อนอยู่ที่ว่สวัสดิ์โชพาอาจารย์มีชัยเขากสอนจนเรื่องนี้ไปแล้วเียในชันต้นออกไปเหมดเลยไ ม, ไม่ได้บอกได้ไหมว่าบุคคลสิบจำพวกไม่ได้บอกแค่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ, อันนี้ต้องบอกรู้เลยบุคคลสิบจำพวกมีแล้วนะจะ ไ, ได้รู้ได้นะ เขากประทุษรายบุคคลที่ไม่ควรปทุษร้ายตอบตอไปก็อานิสงของเมตตาสิบอประกาศหลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ไฟสัตรายาพิษโลกร้ายไม่เบียดเบียนแล้วก็มีจิตตั้งมั่น สีหน้าผ่องใสไม่เป็นอาลไซเมอร์ตายแล้วไปสุคตินะตายแล้วไปสุคตินี่สมควรเดียเวลาแต่มีใครจะถามปัญหาอะไรได้ไหมงั้นต่อไอ้ที่สมมุติว่าถ้าเคยทำแล้วจะทำยังไงเคยเคยคิดไม่ดีเคยคิดประทุสลายบุคคลผู้มีคุณครูบาอาจารย์เป็นต้นก็ไปขอขมาอมขอโอโหสิกรรม ขอขออโหสบอได้เคยทำมั้ยทําเแต่พ่อแม่กันเลยยอ๋อทั้งมันบยแล้วพ่อแม่อโหสิบท่านเอออเงี้โทษมันยุติแล้วยุติชื่นใจไหมทำไมเคยหเคยจมืไหรที่โยมจุเขาจัดนมนป็านวันสุดท้ายก็มีขอเข้ามาขอใช้คำพร้อม งั้นหนูก็กดได้บ่อยๆไม่ได้ไม่ได้ไอ้คำที่ทําก็คือทํานะที่จะขอขอมาก็คือขอมานะีขอขอมาเพื่อเราจะไม่ทําอย่างนั้นต่อไปนะแต่ว่ากำจัดหนังก็ยังจะมามามามันเสียหายทรนี้มีใครจะทํำเลยนะอาลักษณ์สมบัติเวลาขอให้ไปรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดี แต่ละคนกม็มีกรรมเป็นของทุกคนจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว อ, อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ใครใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรามิบัติหรือล้มเหลวได้นอกจากตัวเราธรรมที่เราเข้าถึงกัวควบคองธรรมที่เราไปกระทำหรือล่วงละเมิดก็จะตามเบียดเบียนในทุกอัตภาพที่เกิดเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็จงฝึกฝนตัวเองให้ดนะีวางตัวเองให้ เราจะประสบความสําเร็จก็ได้จะล้มเหลวก็ได้และหยุดโทษคนอื่ น, น, นจริงๆไม่มีใครมาทําให้เราประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได้เจตัวเราต่งงางหากสามารถจะทําให้เราล้มเหลวและประสบความสําเร็จได้พระอาจายัางบอกมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะเห็นไหม